เนี่ยนะแต่ละอย่างที่พระองค์มีเนี่ยมีอย่างใหญ่แล้วก็กว้างขวางแต่ละอย่างเนี่ยเยอะมากใหญ่มากแต่ละอย่างนั้นหาประมาณหาที่สุดไม่ได้ศีลของพระองค์เนี่ยหาประมาณหาที่สุดไม่ได้ปัญญาเป็นต้นของพระองค์แต่ละอย่างก็หาที่สุดหาประมาณไม่ได้มันถ้าเราได้แบ่งเอาคุณธรรมบางส่วนจากพระองค์มาใช้สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แล้ว ความสุขแก่พวกเรามันเราก็ควรตั้ง ต, งตนไว้ที่จะรู้ตามเห็นตามพิจารณาตามเรียกว่าตั้งตนไว้ในฐานะสาวกที่ดีที่จะปฏิบัติตามพระศาสดาของเราเพราะะนั้นถ้าเราศึกษาและปฏิบัติตามพระองค์เท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันการตั้งจิตของเราทั้งหลายนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะ แม้การศึกษาและการปฏิบัติธรรมถ้าเราตั้งจิตของเราไว้เพื่อที่จะรู้ตามเพื่อที่จะเห็นตามเราก็เจริญงอกงามในคําสอนของพระองค์อยู่แล้วแต่ถ้าเราตั้งจิตเอาไว้ผิดแม้แต่นิดเดียวสิ่งนั้นก็เป็นโทษนะนสิ่งนั้นก็ไม่ไม่เป็นคุณแก่เราเลยมันเราตั้งจิตอย่างไรที่จะรู้ตามเห็นตามคิดตามพิจารณาตามใส่ใจตามคําสอนที่สุดเท่าที่ จะเป็นไปได้พวกเราทั้งหลายรุ่นอนุอนุแปล ว, ว่าตามเนี่ยนะผู้ตามแต่ตามคําสอนตามพระศาสดาเนี่ยนะตามพระพุทธรัตนะหรือตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมแล้วก็ตามพุทธะ ต, ตรัยนั่นเองเพราะั้นถ้าเราตั้งจิตเอาไว้ที่จะตามพระตันตนะตรัยพุทธะตรัยเนี่ยนะไปสู่สิ่งที่ดีๆทั้งหลายเราก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ดีทั้งหลายเพราะนั้นตั้งตนไว้ที่จะติดตามพระตัตนะตรยัย การตั้งตนไว้ที่จะตามพระรัตนะตายอันนี้แหละเรียกว่ามีสาระนี่นะเราทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้มีสาระศาสนานี้การถึงสาระไม่ใช่เป็นสิ่งที่กระจกงอกง่อยเลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชั่วช้าเลวร้ายตกต่ำแล้วก็ต่ำสามไม่ใช่เป็นเรื่องของคนโง่เขลาเบาปัญญาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คอยแต่พึ่งพิงคนอื่นไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่เรียกว่าปราศจากหนทางไปแบบทั่วๆไป แต่เป็นเรื่องของผู้ที่มีสติและมีปัญญารอบรู้ว่าอะไรดีจริงอะไรไม่ดีพิจารณาครบถ้วนแล้วว่าบุคคลที่ดีที่สุดเช่นกับพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความรู้เหล่าใดคำสอนเหล่าใดที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์เสมอด้วยพระธรรมของพระองค์ก็ไม่มีผู้ปฏิบัติ ด, ดีทั้งหลายปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นเรายอมรับว่าท่านเหล่านั้นพ้นจากกองทุกพ้นจากวัฏฏุทุกได้ จิงการที่เราตั้งจิตเพื่อให้คุณธรรมเหล่านั้นเจริญขึ้นเกิดขึ้นบริบูรณ์ขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราอย่างเดียวเพราะจิตที่เราตั้งเอาไว้ถูกนี่แหละจิตที่เราตั้งเอาไว้ดีนี่แหละจะช่วยให้เราเจริญโสดาปฏิภพมักหรือให้เข้าถึงโสดาปฏิผลจิตที่เราตั้งไว้ชอบและถูกต้องทําให้แจ้งสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผล มรรคทั้งหลายก็เกิดที่จิตอริยผลทั้งหลายก็เกิดที่จิตมรรคสี่ผลสี่คุณธรรมเหล่านี้อยู่ที่จิตทั้งนั้นแนี่ยพัานเราตั้งจิตน้อยๆที่เป็นกุศลทั่วๆไปให้กุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเจริญขึ้นได้อย่างไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะมาปรารบกัดตัวเราเองให้มากๆไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเราอาจจะได้ยินคาสอนเยอะอาจจะได้เห็นคาสอนมาก แต่ถ้าเราไม่ตั้งไว้เพื่อให้เจริญงอกงามในคําสอนเหล่านี้เราก็มีโอกาสแต่ได้ชมตอนแรกทศชาติธรรมเนี่ยนะอ่านพระไตรปิฎกก็มีความตั้งใจว่ามองเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเพชรอ่ะนะเหมือนกับเพชรแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดก็ดูเออคนที่ก็ดูเพชรดูอะไรเขาก็ไม่เห็นเบื่อเขาก็ดูกันได้เนี่ยนะเออเราก็บอกเออคําสอนเหล่านี้เรียกว่าพุทธธรรมรัตนะเราก็ดูตามเนี่ยนะ นี้พอดูไปมากๆดูไปสักสิบกว่าตีเนี่ยนะก็มานั่งนึกหม e y, e ่เอ๊เมื่อไร่เราจะได้ใช้บ้างเนี่ยนะก็เรียกว่าความคิดก้าวหน้าขึ้นอีกหน่อยหนึ่งว่าเออเมื่อไหร่เราจะได้ใช้อ่าพระพุทธรัตนะอย่างนี้บ้างพระธรรมรัตน ะ, ะนะพระสังขารัตนะเรียกว่าประดับด้วยเรียกว่าใจของเราประดับด้วยพระระัตนไตรและที่สํคาคัญต่อไปใจอย่างไรเนาะใจของเราจะประดับด้วยสติปัญญานสัมมาปาัญญาอิทธิบาทอินทรีย์และภาระ ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้อยคําที่ใช้เกินร้อยคาคือคําว่าตั้งจิตสมาทานศึกษาอธิษฐานเกินร้อยคาสัเลขธรรมนี่ก็มีสี่สิบสี่ข้อเลยใช่ไหมอย่างอื่นๆ อ, อ, อีกเยอะแยะเลยอนนอนุมาณสูตรก็สิบหกข้อที่เกี่ยวกับเรื่องตั้งจิตทั้งนั้นอังคุตรานิกายเอกานิบาตอีกหลายสูตรในพระสูตรอื่นๆ อ, อีกหลายสูตรสรุปว่าเป็นร้อยสูตรเพื่อจะมาให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิต เพื่อให้มีคุณธรรมดังนั้นจากผลจากการอ่านการศึกษาพระไตรปิฎกทำเห็นว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือการตั้งจิตเนี่ยนะตั้งจิตอย่างไรให้เจริญงอกงามในคุณธรรมดังนั้นคนที่ตั้งจิตรับรู้ในการศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่หนักสักเท่าไหร่ถ้าตั้งจิตเอาไว้อย่างดีและถูกต้องท่านบอกว่าคนที่ศึกษาพระธรรมคําสอนถ้าหากว่าตั้งเอาไว้ถูกก็คือตั้งว่าพระพุทธเจ้าต้องการบอกอะไรเรา พระองค์บอกเรื <Beautiful, S 2> <The Major> mm ่องศีลใช่ไหมศีลเราจะรักษาให้เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์อย่างไรพระองค์บอกสมาธิใช่ไหมพระองค์บอกปัญญาเราใช่ไหมเราจะเจริญศีลสมาธิและปัญญาเหล่านั้นได้อย่างไรพระองค์บอกวิธีการเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมคิดอย่างไรเป็นสติปัฏฐานคิดอย่างไรเป็นสัมมาปัญญาคิดอย่างไรเป็นอิทธิบาทคิดอย่างไรเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นโพชฌงเป็นองค์มัช ที่เรียกว่าพระองค์แสดงคำสอนเพื่อความรู้ยิ่งเราตั้งตนไว้อย่างไรที่จะรู้ยิ่งตามที่พระองค์บอกพระองค์กล่าวพระองค์แนะนำสั่งสอนอย่าลืมว่าทั้งหมดเหล่านี้คือมรดกของพระพุทธเจ้าเราทาได้เท่าไรเราก็รับมรดกเท่านั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าวันพระพุทธเจ้าปรินิพานตามโดยการเรียน แต่จริงพระองค์ปรินิพานวันวิสาขะนะแต่ว่าผูดธรรมดาเนี่ยโดยการเรียนของเราทั้งหลายก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระองค์ดับขันธปรินิพานเพราะวันดับขันธปรินิพานเนี่ยก็ถือว่ามรดกจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ถูกจกดูจากวันนี้แหละว่าเมื่อพระองค์ใช้คําว่าปรินิพานปั๊บเนี่อเรามีอะไรมั่งเราได้รับอะไรมั่งเนี่ยนะรับอะไรจากคําสอนบ้างหรือเราตั้งจิตไว้ที่จะรับอะไรจากคําสอนบ้างไม่อย่างนั้น สี่อสงไขแสนกับที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาศูนย์เปล่าสําหรับเราว่างเปล่าสําหรับเราเราก็เป็นโมคะบุรุษจริงๆแหละเป็นคนว่างคนเปล่าคนศูนย์คนที่ไม่มีแก่นเป็นคนที่เป็นหมันไม่เจริญงอกงามในอริยธรรมในพระาศาสนานี้มันพยายามตั้งจิตเอาไว้ที่จะเจริญตามคําสอนตั้งจิตไว้ที่จะเจริญโพธิปัจิยธรรมตั้งจิตไว้ที่จะเจริญคุณธรรมทั้งหลาย ทีนี้เมื่อเราตั้งจิตที่จะให้คุณธรรมเจริญขึ้นแล้วหาข้อมูลประกอบนีนะหาความรู้ประกอบไปเรื่อยๆนะแสวงหาความรู้ประกอบไปบ่อยๆเข้าในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จแต่ก็ทุกอย่างก็ไม่ได้ทำมันเดียวนะไม่มีสิ่งที่ดีและประเสริฐทำวันเดียวสำเร็จขณะจิตเดียวสำเร็จหรอกนะขณะจิตเดียวเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนนะแต่ว่ามันเกิดจากการรวบรวมมาทั้งหมด มันเรารวบรวมอย่างไรเนี่ยนะที่จะให้คุณธรรมนั้นงอกงามมันก็อยากจะขับเน้นตรงนี้ให้มากเป็นพิเศษซึ่งการรวบรวมคุณธรรมเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าปฏิบัติเนี่ยนะใช้คําว่าปฏิบัติก็คือเข้าถึงเข้าถึงหรือเป็นการเจริญคุณธรรมตา ม, ตามที่พระองค์บอกพระองค์กล่าวแนะนําและทําสอนแนะนําและสั่งสอนเมื่อเช้าพลิกดูวิสุทธิมรรคท่านบอกว่า บุคคลเนี่ยนะที่ปรารถนาพระนิพพานแต่ถ้าไม่รู้จักทางอย่างไรก็ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้อยู่แล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ปรองคสอนก็คือวิสุทธิมัชวิสุทธิปแปลว่าพระนิพพานหมายถึงพระนิพพานมัชแปลว่าหนทางทุกสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆก็คือสอนวิสุทธิมัชคือสอนทางแห่งพระนิพพาน มันเราอย่าได้ดูถูกอย่าได้ดูหมิ่นอย่าได้ดูแคลนคําสอนของพระพุทธเจ้าในทุกสูตรเพราะสูตรแต่ละสูตรนั้นนํามาซึ่งอมตะผลทุกสูตรนํามาซึ่งอริยผลคือมรรคผลนิพพานการศึกษาพระธรรมที่สําคัญมากที่สุดก็คืออย่าตําหนิสูตรนั้นดูหมิ่นสูตรนี้แล้วก็ยกย่องสูตรนู้นเพื่อจะข่มสูตรนี้เป็นต้นถ้าเรามีพฤติกรรมเช่นนั้นมีนิสัยเช่นนั้นอันนี้ควรละ ไม่ควรให้เกิดความคิดเหล่านี้เลยสูตรนี้ดีกว่าสูตรนั้นสูตรนั้นดีกว่าสูตรโน้นเป็นต้นดูหมิน่นสูตรนี้ตำหนิสูตรนั้นเป็นต้นเดี๋ยวกล่าวต่อไปว่าทำที่พระองค์แสดงไว้เป็นาศาราของพวกเราเราจะไปบอกว่าเออสูตรนี้ไม่ดีอย่างนั้นเป็นตน้นพยายามตั้งจิตที่จะรับรู้ใส่ใจที่จะเจริญในคําสอนเพราะว่าจิตเหล่านี้นี่แหละจะพ้นทุกข์หรือจะตกสู่ความทุกข์จะบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือว่าจะมีน้ำตาหนองหน้าเป็นที่ไปในเ<ๆ>บื ordered, <fidelity> ้องหน้าก็ดูได้จากจิตของเราทั้งหลายดูได้จากความคิดของเราทั้งหลายนี่แหละจะเกิดในคันเกิดในไข่จะเกิดในเท่าคลายเกิดเป็นโอปปาติกะก็ดูจากจิตของเรานี่แหละจิตของเรามันบอกเยอะมากถ้าเรียนคำสอนมาดีมันบอกหมดทุกอย่างเลยว่าเราเนี่ยมีคติที่ไปในเบื้องหน้าเป็นอย่างไรเราทั้งหลายควรจะได้คุณธรรมเช่นไร ถ้าศึกษาคําสอนดีๆคําสอนจะบอกหมดเลยก็ได้ว่าอ่านค่าของความคิดได้อย่างถูกต้องมีผลต่อไปอย่างไรเช่นไรในอนาคตต่อต่อไปนี่นะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้คิดให้ง่ายๆที่สุดก็คือพยายามว่าจิตเราใดที่โครจรไปในคําสอนจิตเราใดที่คิดถึงคําสอนจิตเราใดที่ไหลไปกับคําสอนจิตเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นประตูเพื่อความพ้นทุกข์ จิตเหล่านั้นเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานพยายามที่จะให้จิตของเราเนี่ยไหลไปโคโจรไปกับคําสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าลืมครั้งก่อนพูดถึงว่าชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยเอาใจอยู่กับคําสอนใจนี่เที่ยวไปกับคําสอนนี่มากไหมนะสมมติถ้าเราอย่างทวนอีกครั้งหนึ่งว่าตลอดระยะเวลาของเราทั้งหลายเกิดมาเอาเฉลี่ยว่ายุคนี้ นะคนที่อายุยืนพอสมควรก็ประมาณสัก75ปีเห็นไหะค่าเฉลี่ยนะหมายก็ว่าอาจจะเกินบ้างหรือว่าต่ํากว่าบ้างก็อยู่เฉลีย่ยเฉลีย่ยแล้วก็ประมาณสัก75ปีในช่วง75ปีเนี่ยเราก็มาคิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยนะหนึ่งในสองเอ่อหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่หนึ่งในสามถึงหนึ่งในสี่อยู่กับการหลับอยู่กับการหลับนอนอ่ะนะ วันละเฉลี่ยวันละสองวันละสามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงอยู่กับการกินนั่นนะอยู่กับเรื่องการกินเนี่ยนะพันๆอยู่กับการกินวันละประมาณหกชั่วโมงต่อค่าเฉลี่ยทั้ชีวิตคืออยู่กับทํางานแล้วก็ไม่ใช่น้อยก็อยู่กับอะไรอยู่กับเสื้อผ้าบ้างแบ่งเวลาไปอยู่กับเสื้อผ้าบ้างแบ่งเวลาไปอยู่กับ บทภรยาสามีแบง่งภรยาไปอยู่กับจานกับถ้วยกับชามแบ่งเวลาไปอยู่กับกระดาษไปอยู่กับหนังสือพิมพ์ไปอยู่กับเหล้ายาปลาปิ้งไปอยู่กับเรื่องกับเราแบง่งแบง่งแบง่งแบง่งแบง่แบงไปแล้วเนี่ยเราใช้ความคิดถือว่าเปลืองมากเลยน ะ, ะนะมูลค่าของความคิดที่เรามีอยู่เอาไปใช้แบ่งไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เนี่ยนะมันถามว่าในพระพุทธศาสนาทรัพย์ที่มีค่าที่สุดเนี่ยคืออะไรก็คือทรัพย์ที่อยู่ในใจของเราเนะนะี่ยเป็นสิ่งที่ มีค่าที่สุดถ้าเราเอาใจของเราไปคิดรื่ำไยเราก็แสดงว่าใช้จิตไปใช้ในสิ่งที่มันไร้ค่าเอาจิตไปใช้ในสิ่งที่ไม่รับไม่มีประโยชน์เอาจิตไปรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เอาจิตไปรับรู้ในสิ่งที่มันมีโทษท่านเราทํายังไงจะให้ใจยินดีอยู่กับคําสอนของพระองค์มากที่สุดเนี่ยนะโดยเฉพาะเศษเสี้ยวเวลาที่เหลือซึ่งไม่มากเลย แต่ละคนนั้นเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ก็เรียกว่าคํานวณโดยชั่วโมงเนี่ยคำนวณได้อยู่แล้วเหลือไม่กี่ชั่วโมงอันเราจะอยู่กับคําสอนให้ใจโครจรไปในคําสอนได้กี่ชั่วโมงตลอดชาติให้สัจใจของเราเนี่ยโครจรไปในพระวินัยเนี่ยกี่ชั่วโมง ให้ใจของเราเนี่ยโครจรไปในพระสูตรกี่ชั่วโมงให้ใจโครจรไปในพระพิธรรมกี่ชั่วโมงให้ใจโครจรไปในพุทธานุสติกี่ชั่วโมงธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติเป็นต้นกี่ชั่วโมงให้ใจโครจรไหลไปกับศีลกี่ชั่วโมงมันก่อนถามบางท่านบอกว่าถามจริงๆเฮ้ยชีวิตชาตินี้ทั้งชาติเลยนะใจที่อยู่กับปานาติปาตาเวรมณีเนี่ย เอาแต่สภาพจิตที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะได้ชั่วโมงหนึ่งไหมได้สักชั่วโมงหนึ่งไหมเจตนาที่เว้นจากปาณาติบาสเนี่ยนะได้สักชั่วโมงหนึ่งไหมเจตนาที่เว้นจากอธินนาทานเอาตัวเจตนานั้นไม่ใช่เอาอกว่าวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยนะไม่เอาแบบนั้นเอาตัวจิตเอะความคิดอะความคิดที่เว้นจากการฆ่าเนี่ยฆ่าเฉลี่ยแล้ววัดทุกๆเม็ดความคิดมาเรียงกันเนี่ยต่อกันได้ไหมสักชั่วโมงหนึ่งต่อชาติหนึ่งเลยอ๋อ เสียงข้อที่สองเนี่ยต่อกันได้สักักชั่วโมงหนึ่งไหมข้อที่สามได้สักชั่วโมงหนึ่งไหมข้อที่สี่ข้อที่ห้าแต่ละข้อเนี่ยนะกำมาบททุกข้อเอามาต่อเอามาเรียงกันได้สักชั่วโมงหนึ่งไหมใจที่เราอยู่กับเสียนไดกี่ชั่วโมงใจที่อยู่กับเมตตาจริงๆอ่ะที่เป็นเมตตาหลังไหลสืบไปอย่างเดียวเนี่ยเหมือนกระแสน้ําไหลเนี่ยเอามาต่อกันแล้วได้กี่ชั่วโมงอยู่กับกรุณาอยู่กับมุทิตาอยู่กับอุเบกขาเป็นต้นแต่ละอย่างอยู่กัน กี่ชั่วโมงอยู่กับอนุสติกี่ชั่วโมงอยู่กับอสุภะกี่ชั่วโมงอยู่กับสติปัฏฐานได้กี่ชั่วโมงสัมมาปัฏฐานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงและองค์มัคแต่และอย่างใจของเราโคจรอยู่ในสิ่งที่ดีและมีสาระได้มากไหมเนี่ยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเองนี่แหละเป็นคนที่ทําลายตัวเราไม่มีใครทําลายเราหรอก